ที mm ่เรายึดเอาไว้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางจี่จ mm ึง hmm. ไม่ได้เฉพายึด mm. ความโกรธความแค้นอย่างเดียวเรายึดหลายอย่างไอ mm. สิสส่งที่ดีเราก็ยึดด้วยว่าเราเป็นเจ้าของว่ามันเป็นของเราเป็นของเราถึงที่เรายังไม่มีแต่เราก็ยึดว่าเราอยากเป็นเจ้าของก็โหยหาอยากได้อยากมียึดทั้งนั้นนะสิ่งที่สูญเสียไปก็ยึดไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเพราะว่ามันเป็นของมีค่าเป็นของรักของห่วงอันนั้นก็เรียกว่ายึดอดีต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 ผู้หญิงคนนี้ตอมาเขาก็รู้เลยว่าเขาคนต่อไปไม่ได้ถ้าเขายังเก็บแค้นยังจะแก้แค้นเขาก็คงจะมีชีวิตไม่มีความสุขทั้งกายและใจสุดท้ายเขาก็ยอมยอมให้อภัยผู้ชายคนนี้พอยอมให้อภัยแล้วเขาก็รู้สึกแล้วว่าเขายิ้มแย้มแจ่มใสได้มากขึ้นแล้วเขาก็ไม่มีโรคมัลังควานอีกเลยอันนี้เรียกว่าเลือกที่จะไม่ทุกโดยการเรียนรู้ที่จะปล่อยรู้จักวาง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 มีคนหนึ่งบ้านแกอยู่ริมถนนซึ่งเป็นทางผ่านของโรงเรียนนาชิวะ2โรงเรียน2โรงเรียนนั้นก็อย่างที่เราคงจะเดาได้คือเป็นอลีกต่อกันและการแสดงความเป็นอลิกก็ส่วนหนึ่งก็ทําด้วยการพ่นสีบนกําแพงก็อาศัยกแพงบ้านนั่นแหละที่อยู่ริมถนนและเป็นเวทีเป็นสนามที่จะประกาศศัปดาห์ขมอีกโรงเรียนหนึ่ง